ตามคนก็ต่างมามีอิตรักจำเป็นบางอย่างที่มาวัดนี้บางคนมาก็ราะบางคนจะมีความทุกข์ใจก็มาวัดบางคนก็มีความทุกข์ใจก็มาวัาวาดเป็นประเพณีของชาวคนไทยเราถึงแม้จะจนก็นึกถึงการทำบุญถึงแม้จะรวย ก็นุกถึงการทำบุญอะไรอะไรทุกอย่างก็ล้วนจากการทำบุญทางนั้นอันนี้เป็นส่วนมากในส่วนจิตคนไทยเราทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้ยิ่งเป็นวันธรรมศวรรณะเ็ดวันครั้งเจดวันครั้งเป็นโอกาสของอุบาศกอุบาติกาผู้ชายผู้หญิงผู้เข้าใครพุทธศาสนานั้น เป็นอันที่สำคัญมากปกติแล้วก็คือพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้สังหวนสังรวมประสาทิีหน้าประการเกลอยดเจรทุคนที่เคยมาวัดเป็นปกติสินปกติกายปกติวาจาอันนี้คือสินเป็นพื้นเคแต่ต้นเดิมมาทีเดียว ทนี้สินแปดนี้เป็นสินพิเศษอันหนึ่งของพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายผู้ว่าจกผวติกาเพราะว่าวันนี้เป็นวันผุโบริสินที่จะเพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นอีกให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาธรรมดานั้นก็เรียกว่าเป็นปกติเสมอมา วันนี้เป็นอุโบโสถศิลป์เป็นวันที่เราสําคัญเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายสมรทานพ่อวัดให้สูงขึ้นคือวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รักษาอุโบสถศิลวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นต้นก็มใ า, าให้ทานข้าเย็นใน้ทานท้าวแต่เช้าไปถึงเที่ยงก็พ อ, อแล้วข้าเย็นไม่ต้องทานกัน วันวันธรรมดาแต่ก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นอีกหลายหลายอย่างเช่นแต่งเนื้อแต่ดดงตัวสุดวัหยรหรือไมนั่งนอนที่นิ่มที่นวนอันเป็นเหตุให้ใจของพวเราทั้งหลายเพิดเพินไปในทางความคุณยอดยวนเป็นต้น หลายปการรองเข้าเป็นสินภุโบสดศรีฉะนั้นวันนี้ปราดท่านที่กล่าวว่าเป็นวันภุโบสถดศินภูโบสดศรินี้เป็นสินีพิเศษเป็นสินทนีขอวัดเป็นสินทีตรุษวัดประหยัดอ่อนขึ้นไปเป็นวันภูโบสถพร้อมในการภาวนาเช่นแล้วมนทานข้าวเย็นในทานอาหารเย็น มันก็หมดพาลาังไปการปรฏิบัติทางวินัยของพวกเราทั้งหลายนั้นมันก็น้อยลงน้อยลงต่อวัดปฏิบัติของพวกเรามันก็ดีขึ้นอันนี้เป็นศีลอันนี้แต่ว่าที่จะมีศีลยิ่งาง น, นั้นก็ต้องการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเต็มชื่อของมโบสุขศีลแล้วมันจะเป็นศีลอย่ยนนิ่ง ไอ้สิ่งที่มันจะยิ่งนั้นก็คือการเราปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันเป็นสริฐขึ้นไอ้ชื่อของสิลป์ น, นั้นจะเป็นสิลป์ห้าปตะจ ام ศิลปแปดประจามศิ้ปอะไรอะไรประจามทะนั้นอนะ่ะอันนั้นเป็นชื่อของมันส่วนมันจะยิ่งยุ่ย่อนนั้นมันอยู่ติดการพวกเราทั้งหลายปฏิบัติให้มันเป็นพัสขึ้นให้มันดีขึ้น จะเป็นสิห้ามันพอดีจะเป็นสิ่งแปดมันพอดีจะเป็นโลโกสดธาุินอะไรมันพอดีสางั้นมันอยู่ที่การปฏิบัติไม่ใช่ว่าถึงนนโกสดตเราได้มาเจราญรลโกสดแล้วอาการกายราชาของเราก็ปฏิบัติยออนอยู่อย่างเก่านั้นก็จะเห็นว่าเราเป็นบุญอันยิง่งเป็นบุญอันประเสริฐเราก็เป็นศีลอันยิง่งอันนั้นหาไม่ได้อย่างนั้น ฉะนั้นการสิงใดที่มันจะยิ่งก็คือทําให้มันตึงขึ้นให้มันสูงขึ้นให้มันยิ่งขึ้นไม่ใช่เราทำให้มันสมมตตัวหรือทํำใหงมันหย่อนลงไปให้มันดีขึ้นไปกว่าเก่ารันาตนกายรัตนว า, าจาของเรารัตนจิตของเรานี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นจงความมีใจเข้มแข็ ง, ขงเพราะว่าเจ็ดวันมีทิ้งอืมนะ การทำให้สินการทำให้การเจริญภาวนาของเราไม่ราเรือ่อไม่สูงขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหนึ่งการคุยกันการคุยกันการพูดกั น, กรกนเรื่องไม่จริงสาระประโยชน์อะไรเพ่ว ท, ทำจอเราเคททำกันว่าย่ดพันแล้วคยทำกันแบบหายฟอจริงฟอปลกฟอได้ทับทักอย่าง ก็ควรเอาไว้ว่ามาถึงวัดเราควรทิ่งมันอย่ามาลอกปอในวัดอย่ามาขายปอยในวัดอย่ามาผูกปอในวัดวันนี้ใเนเรื่องกิจการว่านทั้งหลายนั้นเพราะเราไม่มาาำงานที่นี้ mm. การค้าขายทุกขิงทุประการเสมอกันไม่ควรเอามายุ่งในที่นี้เพราะในที่นี้เราพยายามทาจิตใจให้เป็นอารมณ์อันเดียวอื สมาธิคือทําอารมณ์ให้เป็นอันเดียวคือทําจิตให้เป็นหนึ่งทําจิตให้เป็นอันเดียวถ้าเรามาทำหลายอย่างมันยุ่มมันเอือไปหมดไม่รู้จักก่าคนใหม่ไม่รู้จักจก่าคนเกา่าคนเก่าก็ทําอย่างนี้คนใหม่เข้ามาก็ไม่ได้อนันเดียวเพราะคนเก่าพยายามอย่างนี้ก็ทําไปอย่างนี้เลยปิ หูติดตากันไปเรื่อ ย, อยไม่รู้เรื่องกันว่าทำอะไรกันนี่ฉะนั้นาการกระทำของเราทั้งหลายเป็นหมันเคยเทำมาไหมเช่นสมัยก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะ่ะการที่จะมาเดินมานะทำมาเข้ามาวัดมาภาวนาไม่รู้จักการภาวนาแต่รู้จัก ไม่รู้จักไม่เห็นเช่น ท, ทุกวันนี้ก็เหมือนกันตามที่อา จ, จารย์ทั้งเตียดีแต่ตอนที่พระบวชกระเพื่อนเฉยๆประมาณเฉยๆไอตอนเช้าพระวาดจนันพระนะควรท้องจะมากราบพระมาไหว้พระนะมาสวดมนต์กับเพื่อนทั้งหลายนั้นที่เราไม่เคยจะทําไม่เคยกราบไม่เคยนบไม่เคยไหว เราจะควรพยายามนําลูกนำหลานตา่อมากราบมาไหว้เนี่ยมันจะดีนะบางคนอาจะมาเอาจจะมาเกิดวันนี้นะไม่เคยเข้าวัดสดัการึทำเลยแค่มามาวัดนั่งอยู่ข้างนอกนั่งดูการนนอเนก น, นี่แต่ลูกก็รั้งไม่ดูเรื่องอันนี้ไม่ใช่เป็นคนเข้าวัดเข้าวัดเหมือนไก่ไก่ไม่ดูอ่อนมันเข้าวัดเมันก็ปลุกเอาลูกเอาหลานมันเข้าวัดอื่นะ มาเคี้ย ก, กินเคี้ยวพีหมาทั้ง น, นั้นแหละมันึจะมาหาอะไรอันนี้ก็มันกันแั่นนั้นอันนี้คือเข้าวัดใม่ถูกเข้าวัดใม่ถูกเราไม่เคยกราบไม่เคยไหว้ไม่เคยได้ยินไม่เคยฟังก็เข้ามาลูกหลานไปกราบไปไหว้ไ้ยินไปฟังเพื่อฝึกหัดดัดฉันดานของตนในรูปหลานพี่น้องทุกคนเมื่อเข้าขมาทําวัดสวดมนต์ก็เขามาเรียบ สวดไม่ได้เราก็านั่งฟังให้จิตสงบเป็นสมาธิให้จิตเดยือกเย็นสบายฝึกให้สงบอย่างนี้มันก็ยังเป็นบุญมันก็ยังเป็นตัวสนมันเป็นเครื่อมที่นําเข้าสู่ธรรมะ <c oughs> นําลูกนําหลานเข้าสู่ธรรมะได้อันนี้แหละเราเข้าอยู่ในวัดเข้ามาวัดไม่เห็นวัดเข้ามาวัดไม่เห็นพระ ปลามันอยู่ในน้ามันไม่เห็นน้ำไส่เลื่อนมันอยู่ในดินมันก็กินที่ดินแต่ว่ามันไม่เห็นดินเราทั้งหลายก็เหมือนกันเั่นนั้นเข้ามาวัดมันรู้จักวัดเข้ามาวัดไม่ถึงวัดฉะนั้นปัญหาอันนี้มันจึงกือคึ้นแก่พวกเราทั้งหลายในลูกหลานทั้งหลายไม่รู้เรื่องอะไรนี่แม่รู้เรื่องอันนี้ เห็นว่าเข้ามาวัดมันเป็นบุญตรงส่วนหนึ่งของมนุษย์ทั้งหลายจะเข้ามาวัดเห็นพ่อแม่เข้ามาวัดก็ขเข้ามาจำตามกันมาเรื่อยเรืดด่อยคนที่ถึดอายุสี 40, 50, ่สิบปีห้าสิบปีนะว่าพูดถึงธรรมะทั้งโมพูดถึงข้อวัดปฏิบัติพูดถึงกระพุทธพระธรรมไตรสงฆ์ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยอันนี้เรียกว่าอปลามันอยู่ในน้ํา มันก็แช่อยู่ในน้ําตามันก็เปิดเื่อนอยู่ไปน้ําแต่ว่ามันไม่เห็นน้ําไส้เดือนมันอยู่ในดินมันก็กินขี้ดินเป็นอาหารของมันแต่ว่ามันก็ไม่เห็นขี้ดินไอ้มันเห็นขี้ดินเป็นอย่างอื่นมันเห็นน้ําเป็นอย่างอื่เช่นนั้นบุคคลที่เข้ามาวัดไม่เห็นวัดก็เหมือนกันกับปลาที่ไม่เห็นน้ําเหมือนไส้เดือนที่ไม่เห็นขี้ดิน ไม่รู้จักะดินนั่นไม่ฉะนั้นเราอย่าว่าเลยทุกการฟังธรรมแต่ขนาดนั้นเราก็ยังไงดูเรื่องอะไรที่มีข้ออ้างข้อธรรมนั้นเรว่างธรรมะธรรมะไม่รู้เรื่องว่ า, วาอยู่ธรรมะอเมว่าโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาพระงามรูปรลานเข้าไปสู่ที่พึ่งที่อาศัยอืไม่รู้จักธรรมะ ไม่รู้จักพระพุไม่รู้จักประธรรมไม่รู้จักพระโตก็พารูกพาหลานก็ไปกราบจอมปลวกจอมปลวกที่ตา้งปา่าเออเห็นว่าที่นี่มันไม่เหมือนเพื่อนเขาเนี่ดินมันยาวขึ้นมามันโค้นขึ้นมาเห็นจะเป็นของสักดิ์สิทกันมั้งนี่กราบจ้ะเออไปกราบเมื่อกระบนอะไรตอร่ออะไรอยากจะได้โชคลาภอะไรก็ว่าไปกี่ปลวกกันเลยไอ้ความจริงจริงมันบ้านของปลวกขี่ตรวก นับถือเท่นั้นขึ้นมาบางแห่งก็รัวมากตัวจีนครับไอ้ตัวมันขึ้นอยู่ในสวนว่านมันเป็นจอมตรวกกันมาจงสูงดีใจยิ่งหากีวรนราไปคุมให้นะตัวมันก็ยิ่งกินก็ไปหาหลอกวม้ไปบูชาเขาตัวมันก็ยิ่งทําบาตรมันขึ้นหากีวอนราไปคลุมให้มันก็ตัวมันก็ยิ่งดีมันคือใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวัน ผลที่สุดตัวเจ้าของอยู่จะไป ม, มีที่อยู่บ้านมีแตร้องจากจิตอยู่ในบ้านหมดทีเดียวเจ้าของไมรู้จะไปอยู่ที่ไหนกันก็ไปกราบไปไหว้อยู่อย่างนั้นแล้วอันนี้แหละคือบัลลุลบที่สุดเลยลงจนที่สุดซะแล้วน่ะอันนี้แหละหาเหตุผลได้ยากไม่มีเหตุผลก็เราไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันเกิดมาจากอะไร ของเหลนต่คนที่เรามารู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์แล้วก็ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ไม่รู้จักความหลักทุกข์ไม่รู้จักความหลับทุกข์ข้อปฏิบัติจะให้ถึงความหลักทุกข์กันก็ไม่รู้จักก็เกิดเป็นคนหลงในพวกนี้ที่พวกคนหลงอยู่ไม่ะว่าคนอยู่ข้างนอกนะไม่เจพาคนเข้าวัดคนไม่หลงนะ คนเข้าวัดยิ่งหลงมากก็มีนิ่งมากยิ่งไปู่เรื่องอะไรต่ออะไรอาตมาเคยไปพบลูกบาุกตามป่าเขาเข้าวัดวันุกวันตามมันพรน ะ, ตนะ ต, ตรวดตัวตนจำตัวตนสักตุวนี้พอสมงวัแล้วเขาลูกนี้แต่หน้าเลยเพราะว่าพบไม่ใช่ใจอย่างนั้นตรวดมากมันก็ได้มากตรวดน้อยมันก็เลยน้อย นี่ก็พูดถึงการสวดไม่พูดถึงการปฏิบัติว่าพูดถึงการสวดช่นนี้จะงนันงักศึกษาพิรุษิทธพระอรังที่มาจากม น, นอกขั้นแรกมาเห็นอัตมาสมุตนุศรีเขาก็มาวิภาควิจารณ์กันไปหลายหลอย่างเขาอาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรสวดคนชนนี้ก็เหมือนรองเพลงอะไรแหละมันจะมีอะไรจริง อาจจะมาบาัดเพียงความเขามันกันถ้าสวดเรื่ีความหมายก็เหมือนร้อกเพลงเล่นไปแค่ น, นั้นแหละแต่มันอมาย่ำเป็นข้อปัทตุมาย่ำขึ้นพ่นนนอปฏิบัติจะไปแน่นอนแค่เนี้ยจริงๆนั่ น, นืมเขาก็ดีใจเขากดเห็นด้วยอืมเขาเห็นด้วยสวดมีความหมายสวดต้อการปรัทตุสสวดต้อการปฏิบัติ ส่วนก็การชี <st> s <hoo>. <S ้แจงทางผิดทางถูกให้ผู้ตรวจนั่นตั้งใจได้ยิ่งเชื่งเครื่องประกอบกันการส่วนสูต้การสู่การประพฤติในการปฏิวัติอันนี้เป็นต้นแค่นั้นการภาวนานั้นไม่ใช่การอย่างนี้เรื่องภาวนาจะแท้นี่ยเราทั้งหลายคนนี้ว่านับตาภาวนาอย่างนี้ถ้าไม่ได้นั่งประกอบเนี่ยภาวนา บางคนเคยพิงบนพิงตามาว่าที่ฉันนั่งไม่ได้ภาวนาไม่ได้นั่งไม่ไดอ้อย่างนี้เป็นต้นนี่พระความเห็นของเขาว่าการภาวนาเขาคือการมานั่งคือการมานั่งนั่งทำงานที่สุดนั่งคดีที่สุดมีการ น, นั่งเป็นพื้นเดี่ยวกวับการภาวนาเป็นต้น ในความเป็นจีิงนี้มันก็เข้าใจผิดไปสักคึงนึงเข้าใจถูกไปสักสักึ่งนึงการภาวนานี้มีความหมายว่าภาวนาคือการกระทําให้เกิดขึ้นทับให้เกิดขึ้นทําให้มีขึ้นทางไม่มีภาวนาที่จะนาสิ่งการให้ให้ ม, มีการให้ให้มันมีความเชื่อในการให้ การให้มันมีบุญอย่างไรท่านจึงเก็บจัดเป็นทานะบารมีการให้มันมีบุญบุญคืออะไรบุญก็คือความดี น, น, นั่นเองแหะบุญนั่นค่นว่าเร้เดนไปตามทางให้ถมงจิตมีใฟรเอาข้าวหอให้ก็ขอดอย่งทีจิตใจเราจะเป็นยังไงอนะใจเรามันก็ดีขึ้นใจเราก็สบายขึ้น น, น, นั่นแหละบุญแล้วนั่นเนี่ย อนั่นบุญคือความดีนั่นเองบุญคือความถูกต้องนั่นแหละนีจะจ่เป็นอย่างแบเป็นทานาบารมีการใ ห, นนใหน้นี่เป็นอย่างแบบเป็นบุญอันหนึตต่งให้นึกถึงแี่เป็นอนุสติถึงทานาบารมีคือคุณธรรมวันยุดจริงพระพุทธเจ้าทุกองทุกท่านทุกศาสนาจะต้องมีการหั่นเป็นเบื้องแรกอืเป็นคนใจบุญก่อน้อง บุญมันเกิดขึ้นกับคนทั้งสองคนคนรับก็สบายได้อาหารการอยู่การกินได้ผ้านุ่งห่มไปรักษาไปใช้มันก็ดีที่นั่งที่นอนไปไอ้คนที่ให้นี่ก็สบายใจไม่เหมือนแตขโมของคนอื่นมาจะให้ข้าวไปสักพอนจะให้กางเจงไปสักส่วจะให้อะไรไปสักชิ้นหนึ่งก็ต้นก็ดีใจ ีิจครอบคองของเรานี้เราจะให้เขาไปโดยดีไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายให้ไปแล้วเราก็สบายใจยึกไปแล้วเขาที่รับเขาก็จะเป็นคนสบายเราคนที่ให้ของเราไปเราก็สบายความสบายทั้งสองอย่างนี้จะก่อนหนึงไม่ดีถ้าเรามาทำขึ้นเดีย่ยการภาวนามันก็เกิดขึ้นความสบายมันก็เกิดขึ้นความสบายนั่นมันก็มีขึ้น ทั้งสองคนนี้นั่นกันยิ่งกว่ามีนี่จะว่าภาวนานี่การมันถูกอย่างนี้บุญมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นก็เหตุผลอย่างนี้กันเป็เด่นกว่าเป็นบุญนี่เรื่องการพิจารณาการภาวนาการพิงจารณาอย่างนี้ให้เรามีความถูกต้องอย่างนี้กันเป็นเด่นกว่าบุญไม่ใช่ว่าบุญที่เราทําสนุกสนานกันแล้วมันเป็นบุญอย่างบุญกันทุกวันนี้ บุญฆ่ากันบุญแกงกันบุญแทงกันบุญยิงกันบุญทุกตีกันบุญอะไรต่ออะไรกันวุ่นวายที่ไหนมันจะถูกต้องที่ไหนมันจะเป็นบุญอะไรไม่ดีมันจะดีเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรไม่ถูกมันจะเกิดความถูกต้องขึ้นอย่างไรนนี้จะมันไม่เป็นบุญแต่การกระทำกองโลรจุกวันนี้การทำแช่นี้เดียวกาการทาบุญแต่ว่ามันไม่เป็บุญ มันไม่มีความหมายในการจะทำบุญทำบุญทุกวันนี้มันจะเปลี่ยนอย่างนั้นฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้ภาวนาจะทำทานจะทำกุศลจะทำอะไรต่างๆก็ดีให้เราทำ้หลายภาวนาก็คือให้เราทำ้หลายพิจารณานั่นเองเรียกว่าการภาวน า, าการภาวนานั้นฉะนั้นจริงนี่ใช่หรือการนั่งอย่างเดียวการยืน มันก็เก็นเป็นการภาวนาได้การเดินก็เป็นภาวนาได้การยืนการนั่งก็ภาวนาก็ได้การนอนก็ภาวนาไปได้ทุกปีญญาบทการดินตอดีการเดินตอดีการนั่งตอดีการนอนตอดีเราจะพยายามทําความคิดเราให้ถนต้องในทุกปีญญาบทนี้ แค่นั้นการภาวนานั่นมีใจกว่าการนั่งรับตาอย่างเดียวการลืมตาก็ภาวนาการดับตาก็ภาวนาการนั่งก็ภาวนาการยืนก็ภาวนาการนอนก็ภาวนาภาวนาคือสร้างความคิดของเรามันให้มันถูกต้องไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นทําพื่อเกิดประโยชน์การจะทําที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้อง การคิดอะไระไรที่มันถูกต้องความถูกต้องทั้งหมดนั่นคือบุญแล้วงั้นเรียกว่ามันเป็นบุญบุญนี้เกิดจากการภาวนาทานตอวดีติดตัวดีจะต้องภาวนาสารพัดทุกอย่างมนุษย์เราทั้งหลายหากินในโลกทุกวันนี้ถ้าขาดการพิจารณาแล้วเป็นต้นไม่ได้เสียหาย จะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะทําอะไรทุกประการก็ต้องภาวนาก็ต้องพิจารณาเราได้มาสานี้เราใช้ไปสานแล้วทําอย่างนี้ต่อไปเราทําอย่างนั้นแล้วจะมีโครงการเรื่องขอการภาวนาทางนั้นถ้าใครภาวนาถูกก็ามสบายประมาณ น, นั้นภาวนาถูกมันสงบมันก็สบายเรืก่กงขอการภาวนาเรื่องการภาวนาทุกคนอ่า ถึงแม้จะอยู่ในว้านหรืออยู่นอกวัดหรืออยู่ในวัดหรืออยู่ที่ไหนมีนไหนก็ตามเถอถ้าเรามีความเห็นอันถูกต้องมีความคิดอันถูกต้องในการพิจรารณานะมันหมเป็นการภาวนาถ้าหากว่าเราสงสัยไม่รู้เรื่องเราก็เข้ามาวัดอย่างวันนี้มาฟังธรรมฟังธรรมกับครูบาอาจารย์อย่างน้อยวันนี้ก็คงเริ่จากการภาวนา ก็คงรู้จักการดีหรือผลของการให้มันเป็นอย่างไรมันเป็นประโยชน์อย่างไรการภาวนาทําอย่างไรการปฏิบัติทำอย่างไรอย่างน้อยมันก็ดูจักราบมันรู้จะว่ายพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ไหนพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเมื่อเราภาวนาที่มันถูกต้องแล้วก็คือเรานึกถึงพระพุทธเนึกถึงพระธรรมานึกถึงพระสงฆ์งี้ฉะนั้นเมือเรารู้จักแล้ว เราจะยึดเอาหลักของต่อพุทธเจ้าของพระธรร ม, มเจ้าของพระสังกเจ้าเป็นตราที่พื้นที่ประฤติ ข, ของเราทั้งหลายถ้านี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะไม่เป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่ผิดผิดที่ประมาทผิดผิดเป็นมนุษย์ที่ประป่ำเฟือไม่ส ม, ม่ำเสมอรวยสมบูรณ์ที่เป็นมนุษย์ เช่ น, นยึดหักว่าพระพุทธเจ้าของเราให้นับถือพระพุทธหนึ่งพระธรรมนึ่งพระสงฆ์หนึ่งเป็นรษฐีขึ้นของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเราที่มาในพีจารณาไม่รู้บางทีก็ไปพบอย่างกจะมาว่ามาที่เป็นจอมปวกก็ไปไหาสต้นไม้ใหญ่ใหญ่ก็ไปบ้า้ที่ไหนห้อยเหี่ยวที่หน้ามันเสาะมันรึกแม่นี่หน้ากลัว ก็กลับไปไว่าอะไรที่ไหนที่ไหนไหว้เท่นั้นไอ้พวกเราทั้งหลายแต่มันกลัวเพราะความไม่รู้เรื่องของมันอันนี้ท่านอาตมาไยินเสียงท่นานเจ้าคุณกุธชาติค่าคดเทศในฟังทางอากาศท่านว่าสมัยก่อ น, นัท่า น, นเป็นเด็กท่านกลัวผีหรือสุนทรกลัวผีตอนเช้าก็นำนำ้นำโคไปเลี้ยงนำฟวายออกไปเลี้ยงตื่า ตอนเย็นกวกลับมาที่กลับมานีมันผ่านประช่ามานะไอ้ท่านอาจารย์เจ้คุณพุทธชาสจันทรก็กลัวแต่ก็ขึ้นอยู่บนหนังควายนั่นแหละควายก็กิกนหญ้ามันก็เฮ่ยเจคุณพุทธทาสก็กลัวอยู่บนหนังควายแต่ก็คิดไปผิดมาหรือไงควายนี่มันดีกว่าเราแต่ว่ามันไม่กลัวผีนี่มันกินหญ้าสบายสบายอยู่เราอยู่บนหนังควายจะไม่รู้เรื่อง น, นึกว่าเราเป็นมนุษย์ขึ้นบนหนังควายก็ได้เรายิงตัวผีตัวโน่นตัว น, น, วนี่มีความหวานมีความกระตุ้นตลอดเวลาแต่บอกคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาไอ้ความกลัวนี่เพราะอะมันเกิดจากความคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นตรงนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามาพูดที่เสแควยแลย้วกต่เออแควนี่มันดีกว่าเราเว้ยมันชิ้ช้าสบายมันไม่มีอะไรจะ จะเป็นอะไรันกินยากสบายแต่เราเป็นมนุษย์ขึ้นอยู่บนน้ำควายครวยัวตัวสัน่นเอออันนี้เราจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไงเนี่ยออ ม, มันจะดีกว่าควายอยังไงเนี่ยมันงู้กว่าควายนี่เนี่ยคิดไปคิดมาแลเราผละายตัวเองลายลายควายท่านคิดไปอย่างนี้คิดไปคิดมาเปรียบเทียบเราไปคิดมาเจอเออเราขึ้นบนหนังควายก็ได้หักไปใบแศมาเกี่ยนควายก็ได้ อะไรก็ได้แต่งตุ๊กตาผีแต่กว่ามันเฉยมันจะมาไม่มีผีอันนี้อันนี้บนุษย์อภีใจไรไม่รู้เรื่องแคาตัวเห็นว่าผีมันเกิดที่ไหนผีมันเกิดที่จีนกลมือเกิดที่จีนกลัวแต่นั่นแต่บัดนั้นมาท่านจะมีความคิดเออมันเป็นอย่างนี้เองนี่คือการพิจารณาพอเห็นเช่นนั้นจ่าก็นึกได้ที่จะเอาเป็นดุเบียบเลยเอามาภาวนาเลย อันนั้นคือคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญามันก็เห็นง่ายเช่นว่าคนเนี่านบรรทุกคนบรรทุกมันทุกท่านเนี่ยเข้าวัด <c oughs> บางคนก็เข้าใจว่าถ้าอิฉันสบายร่ารวยแล้วก็จะเข้าวัดเป็นสุขเป็นสุขแล้วก็จะเข้าวัดหมดภาระหมดหนี้หมดสินแล้วก็จะเข้าวัด ไ <c oughs> อ้คนตายเอาเข้าวัดเอาไปเผาเท่านั้นแหละนี่คนตายไอ้ว่าพระพุทธเจ้าจะหมดเกลียดจนจะเข้ามาวัดเออท่านท่านหมดห่วงหรือแต่เกินยิางใหญ่จะมาว่าย้ถ้ามันไม่มไม่เร่ห่วงแล้วจะมาวัดสมัยถ้าไม่มีทุกข์จะมาวัดสมัยหมดภาระไม่จะมาวัดสมัยไม่มีปัญหาจะเข้ามาวัดสมัยไม่ต้องขมาหรอก ไอ้ตู้ตีไว้เขาโชว์อยู่ที่ตลาดวรินนะตลาดเมืองอุบลเนี่ยเขาทาเสร็จแล้วประคาแค่แรเขาโชว์ไว้ขายได้เน่ยเขาจะเอาขวนไปทาดอีกไหมเอาปลุกไปสายอีกไหมเอาเรื่อยไปตัดอันอีกไหมแค่ก็ไม่มีจะเอาขวนไปทาดที่ไปตัดเอเลื่อยไปตัดทอดตู้นั้นมันเสร็จแล้วไม่มีที่ทําแล้วก็โชว์ไว้เฉยๆเท่านั้นแหละ อันนั่นก็เหมือนกันขันนําถ้ายอมไม่มีมีดีทิถ้ายอมไม่มีความไม่มีอะไรที่จะป้วนันไม่มีความที่ยากมีความปลุกสบายผุ้ประการแล้วยอมจะเข้ามาวัดทําไมเข้ามาเพื่ออะไรยอมก็ไม่ต้องเข้ามาแค่นั้นแหละยอมไม่ต้องเข้ามามาทําไมไม่ในเรื่องที่จะทําหมือนบางคนที่ทานอาหารอีมแล้ว จะกลับสมัครทานอีกไหมงานนี่เขาทำเสร็จแล้วจะมาทำอีกไหมที่นี่มันสาดแล้วจะมาทําให้มันสะอาดอีกอยังไงได้โยมไม่คิดอย่างนั้นนีโยมว่าคิดว่าฉันไม่มีภาระฉันไม่มีสุระฉันไม่มีปัญหาฉันจะเข้ามาหัวในวัดเมื่อใดเรามีปัญหาเราต้องนี่แก้ปัญหาไปเรื่อย ครุนี้มีปัญหาก็ต้องพยายามแก้ปัญหาตงญญาราตงนี้มีปัญหาพยายามแก้ปัญหาไปเรื่อยไปเพราะว่าอาตมาเคยตั้งเจริญมากถ้าคนรวยคนสบายแล้วก็วางใจเช่นเคยรเร า, าก็ไปจิตวิญญาณไปที่อาตมาจะยังเห็นอางที่คนสมัยจักว่าในรูจ้จักว่า แต่มาทุกวันจะมาก็คนทำบุญา่าเลื่อนสายมากก็จะมาเข้าจังเข้าใจาจับบาตรจับผลมากขึ้นใจรบตรงนี้หรือ <c ười> จับผลอะไรใจรบตรงนี้หรืออาจะมาก็นั่ดูโอโ้โหมันจับกันไมเนะ่เต็น่ะอย่างนี้ขนาดหลาคนเลยที่มาไอ้โง่ที่ไจับจับบาตรไม่แต่คนยมแรับยอมพัฒ ร, ราการ จ evet ้าใสไปนี่แน่นนะใสตรงนั้นใสตรงนั้นใสตรงนั้นใสตรงนั้นใสทีนี่คนตาบอดเลยอาจมาเขมานั่งพิจารณาอย่ตรงนี้อันนี้มันคิดอะไรบ้างนะอนนั้จะมีอะไรนะยู่าอดมันวงอยู่เมันขวางอยู่ความสุขมันขวางอยู่ความเพลินมันขวางอยู่อะไรมันขวางมันติดแยู่ตรงนั้นไงไม่ใช่ไหนความจน ความจมันสว่างทุกคนจะรวยจะจนอะไรก็ช่างมันเถอะถ้าจะมีปัญญาแล้วนะไม่เคยเห็นว่าวันนี้วันนี้กำหนวันนี้เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าเราเกิดมาเนี่ยวันนี้กำหนวันนี้มันคนเดียวกันหรือเปล่าหรือมันคนละคนไหมอีกวันนี้ไปถึงชุนนี้อีกแล้ว มันจะเป็นคนคนเยวตั้งรูปล่าไม่คิดมันไม่เปลี่ยนแค่นี้จะเป็นนายคนจะเป็นนายพันจะเป็นคนร่ำคนรวยจะเป็นคนรวยแจ่มเถอะมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยมันไม่ได้เว้นนะชีวิตจัดทังหลายมนุษย์สังหลายถูเหมือนกันอย่างนั้นมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายี่ไปเท่านั้นแหละแต่พระพุทธเจ้าต่างจึงสอนประหยัดประมาทเลย อย่าเห็นประมาทอย่าประมาทมี่ยศอย่าดื่ยศมีราบอย่าหลงในรากมีสังเสรอย่าหลงในสังเสรมันจะมีอะไรก็ให้มันมีเยอะในโลกนี้แตอย่าเมามันนะอย่าเมาแต่มันให้เมามันจะรวยก็ให้มันด้วยแต่มันจะรวยได้มันจะจนเอาไว้ไม่ได้มันจะจนก็ให้มันจนไปอย่าไปเมามัน มีจนพยายามเอาจนมีรวยพยายาเมารวยวันมีทุกพยายามเอาทุกวันมีสุขพยายามเอาสุขวันมีหนุ่มพยายาเมาหนุ่มวันมีแก่พยายามเอาแก่อย่าไปเมาวันเลยไม่ใช่จะเห็นว่าคนธรรมดานี่คนธรรมดาทุกคนธรรมดาตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านไหนือทุกคนไหคือตัวมันเหมือนกันทุกคน อย่างส่วนรวมที่น้อยอยู่ในสารเนี่ยสังเกตัวจะมาเรไปหายาติโดมไหมไม่ใช่ว่ามันอันเดียวกันมันไม่ใช่คนในอย่างมันคือคนคนเดียวกันมันเหมือนกันเหมือนกันอย่างไรมันเกิดขึ้นมาตรงเหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปลไปความแปรไปเปลี่ยนไปมันคงเหมือนกันคนที่สุดมันก็ดับไปมันคงเหมือนกันที่ไหนมันดูอะไรไหม มีอะไรเหลือไหมไอ้ความโล่มันเหลือไหมไอ้ความฉนาดมันเหลือไหมมันเหลืออะไรไปไหมในโลกเนี้ยทำไมที่พระพุทธเ จ, าจาทนทนา้าจะสอนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะอันนั้นค็ไม่ใช่ของเรานะบางทีโสดเลยนะบางทีโสดไอ้ความฉลาดดูเ น, ดนี้ยดูตัว น, ะนี้อ้เรื่อความรำ่ำมีความรวยมีความแรงต่อแหล่งโลดขึ้นเลยนะ กลัวต้วเครดอย่างเนี้ไม่น่าฟังหรอกนอกดัานใจเปิดประเด็นแบบยีนานโยกระโคนที่เปิดมาตายนะไม่แน่นะาตายยิงรูปไปใหญ่เลยฉันไม่ฟังไม่ได้หรอกเอาคํำอับใีอะไรมาพูดฉันจะแล้วอกไไอ้มันเกิดมันตายจะพิว่ามันอะไรยิ่งกลัวมันยิ่งจะมาอยากจะไปฟังมันเลยยิงเอามาพูดได้ใส่กันแค่อย่างนี้คือคนมันใครทายิ่งใหญ่มันกระคนแก่ มันแก่ไปเท่าไรมันก็ยิ่งไกลหนุ่มไปเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่วมาบรรลุน่ะมันไกลจากความหนุ่มไปแต่มันใกล้ความตายเรื่อยไปอีกนะไม่ใช่มันจะไปที่ไหนไอตัวเราเหมือนกันทุกๆคนนั่นแหละถ้าเราคิดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราแล้วน่ะเราจะพิจัยความกังวลความยึดมั่นถือมันหลอกไปได้อย่างคนในวัดนี้ในศาลานี้กลาเห็นฉันดีกว่าเธอเธอหนุ่มกว่าฉัน แันฉลาดตัวเธอเธอไม่เหมือนสารไทอะไรอ่ะมันก็ดุงกันนอ น, อนจะพูดอะไรก็สู้กันจะพูดอะไรก็มองกันจะหยิบอะไรก็มองกันมองกันไปเท่านั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันอ้างขนาดกันมันอ้างโง่กันอ้างความร่ำวรวยกันอ้างความจรนกันอ้างความสุขกันอ้างความทุกขกันเพราะความเห็นชิดของเราเอง ฉะนั้นพระพุทธเจาสัางอเช่ภาวนาคนเรามันเหมือนกั น, นเป็นญาติคือคนเกิดเป็นญาติคือคนแก่เป็นญาติคือคนเจ็บเป็นญาติคือคนตายจะมังม่งเสมอกันทั้งนั้นเมื่อคนเรามีจิตใจลงมมถู่ธรรมะเช่นี้แต่มันจะไปที่ไหนล่ะอมันจะไปที่ไหนมันจะมังม่งเสมอขนาดไหนในเวลานั้นก็จะมีใครเกแล้ว เสร็จแล้วทำขอพระเจ้าเมตไสมีแล้วถ้าเราคิดถึงคำพระเจ้ามตไสท่านก็โกดยอะนี่แหะใ้ก็เกดเยอะนี่แหบโกรธเยอนี่นี่แล้ ว, ว, ว, แ, ล ว, แ, ลวแต่มาดุทั้นหนาให้คิดอย่างนั้นไปดิ้มั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างที่จะผนทุกข์ฉนันเหตุฝในวันนี้มาธำมโสดในวันนี้มาฟังธรรมในวันนี้ มันยิ่งเกิดประโยชน์มากทีเดียวไม่ต้องฟังมากไม่ต้องอะไรมากว่าคนมีปัญญาฟังเท่านี้ก็พอแล้วพอมันพอแล้วอะไรก็ไม่ใช่เราอะไรก็ไม่ใช่ของเราเราจะเอาอะไรมันไปทำไมอย่ายึดมัน่นถือมันมันไปถึงที่ไหนแก่อายุพอสมควรนแลยเกาผ่อนพักพผ่อนพักไปเออยอะแาจะภูกจะตายไปจนถึงวันตายไม่ถืเรื่องอะไร คนนี่อายุเก้ากว่าห้าสิบกว่าหกสิบจะมันหลงนะโยนทุกคนจำเลยเถอะมันจะหลงอัตมาก็เก้ากับาหกสิบเนี่มันจะชวนหลงเลยมันชวนจะหลงแล้วล่ะอืบางทีเทียกเล่นคอโยนไปพูดจะเล่นคอนบางทีจะเรียกพักคอโยนไปใส่พักคอนมันจะเป็นอะไรล่ะมันจะตุงอัตมาอะไรล่ะมันเสียณแล้วน่ะในรัชกาลข้างนอกหกสิบเอ็ดปีเขาเสียนแล้ว แต่ในด้านธรรมะก็กระเทียงเหมือนกันแต่กระเทียมเงียบเงียบแต่ชิปเงียบเงียบกระเทียมแล้ววูบเหมือนขึ้นขึ้นเอานี่ไปตรงโน้นเอาโน้นไปที่นี่จะไปก็ว่ามาจะมาก็ว่าไปเอาไปเลามาไม่ทําทําไม่ิจ่ชนาแกมากระมีความฉลาดมากเนลาในกองโง่นะเดี๋ยวยุบอยู่กับบ้านกระชองหกเขียงกระดูกกรหลานรุดไว้กันอยู่อย่างนั้นละไม่รู้เรื่องเลย ขื้อมั่งขื้รั่งขื้อทั้งอยู่อย่างนั้นเนี่ไอ้ความยุ่งมันก็ยเกิดขึ้นมามันเจนอย่างนี้อาจจะมาใสเห็นหลายแหงเพราะเราเป็นงพอไงเขาเกิดตอนเขาเรี่ยงต่อมามีความฉลาดมากความฉลาดมากเรี่ยงมันมันมากกว่ไอ้ความฉลาดแล้วมันแก่แล้วมันโง่นะที่ใช่เพามันฉลาดแต่นะมันโง่นะไอ้ความฉลาดนี้เรี่ยงเป็นงานมันโง่อืเถียงเกงไม่ยอมรับความผิด อะไรอะไรวุ่นวายกระตุเสียงกระู่กระลาดลูกหลานก็มีปัญญาดีหัวเขากำลังใสเขาจะเยี่ยมพูดเข้าสนี้ไปไอ้ยายกาจมันก็ยิ่งชนะใหญ่เห็นไหมเราเป็นพ่อเป็แม่มันจ้ะเด็กจะพูดอะไไม่ได้ไอ้คนม่นยิงอมันถูกความเขาอยู่กรเสียงเขาเอาชนะเขานี่อันนี้ไม่ใช่ธรรมะดูนะเราหลงแล้วนาให้รู้จักว่าสังขารนี่กระเสียนแล้วนะตาราวันเหมือนไม่หล่ะ หัวเราเหมือนเก่าไหมร่างกายเหมือนเก่าไหมกําลังมันเหมือนไหมความจํามันเหมือนไหมอะไรมันเหมือนก็ทําไมไม่รู้แล้วใหจมานจะเสียงเราแล้วพระพุทธเจ้าตั้งใจสอนอย่าประมาทนะประมาทโทมิโนประทัาทางคนประมาทแล้วเหมือนคนตายนะอย่าประมาทนี่ฉะนั้นอแต่มาเห็นว่าอพระถอนมันกำลัจะว่างตอดี ไอ้ความฉลาดนี้ก็มันใช้ได้แต่ระบบประสาทมันยังดีนะถ้าระบบประสาทมันเสียหายแล้วไม่ได้เราดึงไปกันใหญ่ท่้ น, นมันเป็ น, น, นแค่นั้นแทมท่านวางแข่งจนเขาเรยกว่าอมันไปไม่ไหวพ่อพขามีอำนาจแม่มีอำนาจมีอำนาจเทียงไม่ได้ลูกชายลูกสาวลูกสะพ้ายลูกเผยเขามีปัญญานะ ต้อค่อยๆรอากแม่ไปอยู่วัดเินะัพ่อไปจาวัดเจริญกรอาะกไปอยู่วัดเขาขีดเขียดความบุญทุกวันทุกวันนะจะไปผูกติะด้อยู่ในวัดให้ไปอยู่วัดเขาอุตส่าห์ส่งเสียให้สบายดีกว่าดีาจะมาพก่ที่จุดนั้นเนี่ยให้พระสอนนีอย่างงั้นอย่างงั้นช่ายายเป็ยังไงรู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องว่าเ้าเอาเราไปทาไม เข้าใจว่าเขาเอาไปเราไปในวัดในว่าไปจําคุณจําทานก็ไปยุ่งกับเขาก็เอาไปเท่นั้นแหละเขาก็ไปหาลูยุ่งกั่วัดเองอย่างนี้ก็มีนะให้ระวังดีๆแก่แล้วมันในตัวเรื่องมันกลับเป็นเด็กอีกนะฮะใครรู้หมาแก่แล้วแก่แล้วมันกลับเปนเด็กมันจนมาห่วงอะไรเงิอมันแก่มาแล้วมันกระสุนกระสุนกระโดดลงมาขี้ดินขดินนี้มันก็พ่อขึ้นมาเป็นตัวเล็ก เป็นตนง่วงๆเล็กๆต้นใหม่ๆใ่ไหมละนี่มันจะเ้าใหม่แล้วไอ้คนแก่ๆแล้วสมมตกันนั่นแหละกามันแก่ที่แก่จิเ้าิคีแล้วตกใจเล่นกันนั่นแหละนะเี่ยวก็ไมู่เรื่องที่ก็ไมู่เรื่องกินก็ไม่รู้เรื่องเป็นเด็กอีกแล้วถ้าคนแก่เเด็กมันลำบากคนเด็กๆมันเป็นเด็กนะเลี่ยวมันเห็นตัวเก่านะ ที่มันเป็นตัวเก่านะอะไรมันเน้นตัวตก่าดังนั้นนะเด็กแก่ต้นแก่มันเป็นเด็กไม่ใช่เด็กเด็กมันเป็นเด็กมันเป็นชั่วหน่อยเนี่ยไปก็อยากพูดไปก็อยากออดไปก็อยากล้างนะมันเป็นแางนี้ฉะนั้นเมื่อหากว่เราภาวนาแล้วน่ะมันจะแก้ปัญาเหล่านี้ได้มันแก้ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็นคนเรียงง่ายเป็นคนว่าง่ายเป็นคนไม่หึงตัวเท็นคนมีสติเป็นคนมีสัจัญญะ ไม่สร้างตามไม่สร้างเง้นจะตนต่างผู้อื่นจรปประรูปสาร น, นี่เดียวมีความสุดท้ายสบายใจอย่างนี้นี่เท่ากับเราภาวนาไม่เช่ากับภาวนาจะไปนั่งรักษาภาวนาวัางตออกมาวัดทุวนนกวันแต่วันละนั่งรัตษาภาวนาจะับไปว่ามันทิงหมดจะเป็ว่ามันทุ่งหมดทิ่งหมด แะ่รอบกับตู้แะ่รอบกับหัวแะ่รอบกับใครจะใครวุ้นเขาเข้าใจว่าเวลา น, นั้นเ้าออกจากการภาวนาแล้วเมื่อภาวนาก็ว่านั่งรักษาเอาบุญเมื่อออกไปแล้วบุญไม่ไปด้วยเอาจะบางไปกรงนี้ไม่กดไม่ตันไม่ประพ ฤ, ฤรรติทำไยย ม, ฤฤรรม่ปฏิบัติทำอะไรอะไรหลายหลอย่างในความจริงจริงการประพฤติการปฏิบัติการภาวนานี้นะ เพื่อไรก็ตามมันจะจะอยู่นอกวัดก็ตามอยู่ในวัดก็ตามเหมือนถ้าว่าเราเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดีดีเมื่อเราเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดีดีแล้วเราเรียนหนังสืออ่านหนังสือได้ในโรงเรียนนะแล้วจะไปอ่านที่ที่ว่าแล้วก็ได้ไปอ่านไปที่ไหนก็ได้ไปอ่านในทุ่งก็ได้ไปอ่านอยูในป่าก็ได้ไปอ่านอยู่ในชุมชนก็ได้อ่านอยู่คนเดียวก็ได้จะมาอ่านที่โรงเรียนก็ได้อ่านที่ไหนก็ได้ ถ้าเราเข้าใจดีแล้วไม่ใช่ว่าก็จะอ่านหนังสือจะยื่นมาโรงเรียนถึงมางงอา่านหสือได้วัดจุดหมายเราจะทื่นมาอ่านอยู่โรงเรียนที่จะอ่านได้ไม่ใช่อย่างนั้นกานรภาวนา น, นี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อเรามีปัญญาเราจะไปในทุ่งก็ดีจะไปในป่าก็าดีอยู่ในคนจํานวนมากก็ดีอยู่ในคนจํานวนน้อยก็ดีจะพูยินค า, าดีจะ ด, ด, ดูสังเสริมก็ดีเป็นต้นจะมีความรอบรู้สมง่งเสมออยู่นั่นแหละ เรียกว่าคนที่ภาวนาก็ใช่อย่างนั้นมันรู้เข้าอารมณ์ทั้งหลายทั้งสวงเหล่านั้นเช่นดีก็จะเท่าเราก็สบายแน่จการพันอารมณ์จะปล่อยตาปล่อยหูปล่อยจมูกปล่อยยิ้มปล่อยกายปล่อยใจคนเราได้นี่เรียกว่าคนภาวนาเป็นมีอารมณ์เป็นนั้นเดียวอารมณ์นันเดียวคืออะไรไม่เอาเรื่องกับใครนี่ไม่เอาเรื่องกับใครเทียบกับอารมณ์นันเดียว มันเปี่ยนจากอารมณ์อันเดียวก็สมาธิกรรมฐานสมาธิกรรมฐานอารมณ์อันเดียวคือภาวนาพุโธพุโธพุทโธพุโธอเนียมมันน้อยไปเออมันน้อยไปถ้ามาาจากพุโทโธเน่ยมันไปที่ไหนก็ได้ออารมณ์อันเดียวคืออารมณ์ิพัสนานั่นแหละเออไม่มีชั่วไม่มีดีมีดีมีชั่วแต่จิตของเราอยู่เหนือชั่วเหนือดีัรงนั้น ัฉงนั้นเป็นอารมณ์มรรยาอย่างนี้ก่อยมันจริงไปเรื่องอันนี้จังตุกขังรัตษาหมดจังสิ้นอย่างนี้ที่การก่อยวางทั้งหมดนั้นเรียกว่าการภาวนาที่ถูกต้องจะยืนก็เป็นคนภาวนาจะเดินก็เป็นคนภาวนาจะนั่งก็เป็นคนภาวนาจะนอนก็เป็นภาวนานะเราจะรู้ไหมว่าเราจะตายเวลาไหนมันจะตายว่าเรานั่งรักษาหรือเปล่าก็ไม่รูอแอ่จิตเอ็กก็แยกเขมาจะเรานั่งรักษาเด็ก ใช้เคตโวดไหมมาเดิน อ, อยู่เคยโสดไหมมันนอนอยู่เคยโสดไหมมาเดินไปเคยโสดไหมเือมันโสดถึงเวลาเรานั่งรับตามันเข้ามาเนี่ยนะอย่างนั้นถามันเป็นเช่นนี้เราจะไปอาศัยเพื่อแต่เรานั่งรับตาเราจะภาวนาอะไรยังไงนี่ภาวนาจะไปวารู้ตัวถึงรู้รอบขอบนั่นเองนะทุกท่านจริงๆก็เป็นตัวมีสติความละกอียได้เป็นตัวมีสัพพะยะวความรู้ตัว เป็นผู้มีปัญญาความรอบครอบในการเดินการเรืองการนั่งการนอนสามารถจะมองเห็นความบกพ้องสมบูรณ์บริบูรณ์ด้านจิตใจคน อ, อยู่ทุกเวลานั่นเรียกว่าคนภาวนาเมื่อเรารู้อยู่เสมอเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรจะมากระทบกับทั่งเรามีอะไรทงตกันเรื่องจิตใจอยู่สบายมีใจราบรื่นส ม, ม่ำเสมออยู่อย่างนั้นนั่นเรียกว่าจิตเป็นปกติให้ญาติโยมต่างๆนาไปตินิษ นำไปที่เจรินนาไปภาวนามันถูกต้องตามความหมายขององค์ตุษษษษษษกูรณ์พระธรมารใจแบกายของเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคนเราก็บวนแบบกายมันเอ้ยใจมันยุ่งใจไม่สบายความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นโยมเข้าใจผิดใจไม่เป็นอะไรเจตมันเป็นฉัน ใจฉันไม่สบายไม่ถูกสิ่งที่สบายที่สุดคือใจไอ้ที่ที่ไม่สบายไม่ใส่ใจสิ่งที่สุกระปรงไม่ใส่ใจสิ่งที่มันยุ่งยากไม่ใส่ใจมันคีดิสังหาแให้เราเข้าใจอย่างนี้แบงมันดอกจ้ะโยมมึงไปโทษแต่ใจกันทุกคนทุกคนใจมันจะมีอะไรใจมันสบายอยู่แล้ว อเหมือนท่านกระใบไม้ในป่าเนี่ยอือทําธรรมดาใบไม้ปกติมันอยู่นี่นี่ไม่มีอะไรที่มันกวาดแปลงไปมาเพราะอะไเพราะลมมากลกมันเข้าใจไหมเนะ อ, ยอยีนี่ให้เขาใช้ซะอย่างนี้เราจะไปให้โทษปัจจัยเลยไม่ใช่อือเอีไม่ใช่ที่ใบไม้มันจะกวาดแปลงไปมานะพอพอ่ะเพราะเพราะอะไเพราะลมมากลกมัน ถ้าเราไม่โลรกมันใไม่ไหมก็นิ่งเป็นปกติใจเรากสมือนกันเป็นของสงบอยู่แล้วเป็นของสะอาดอยู่แล้วใจเรืองของเรามันเป็นอย่างนั้นที่มันกดแกงไปมานี่คือมันใจใหม่ใจพร้อมอืมใจพร้อมมันถูกการหาชักโยงไปมาตลอดเวลาเนออีเ๋ยวก็มีสุขบ้างเดี่ยวก็มีทุกข์บ้างเดี่ยวก็อย่างนู้นเนี่ยก็อย่างนี้บ้างทําให้เราวุ่นวายอันนี้ไม่ใช่ใจจําไว้ ถ้ามันพุ่มขึ้นมามนว่าอะไรใครใจไปร้องพอ่อหรออันนี้ไม่ใช่ใจถ้าใจไม่มีอะไรเป็นของบริสุทธิ์เป็นของสะอาดเป็นปกติอันนี้ใจปลอมใจไม่ได้ฝึกใจม่ได้ฝึกอันนี้ให้ใหเอาไปคิดเราจริงจะรู้จักจัดส่วนของการปฏิบัติเดี๋ยวจะไปคุมจะอย่างอื่นไปนคุมจิตใจของเราใจนี่มันไม่มีอะไรมันเป็นปกติ ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยก็ค้นหาเรื่องปกติคือใจเดิมของเราเนี่ยถ้าเห็นจิตเดิมใจเดิมพอแล้วเป็นต้นไม่มีอะไรวุ่นวายเหมือนใบไม้ในป่านค้นไปถึงปกติมันได้ไม่เปลี่ยงไม่มีอะไรจะเปลี่ยนเพราะลมอีถูกมันนี่มันเป็นเพราะอารมณ์ไม่สบายไม่ใจใจมันทุกข์ไม่ใจใจกิใจใจเลสอย่างอื่นมันเปลี่ยนหน้าสมาเชนะลมก็วิ่งตามมันเห่างนัน บางคนก็น่าสงสารจนคิดว่าไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติเพราะใจมันยุ่งบางคนไปเข้าใจแคอย่างนี้ไม่ใช่ใจเรามันไม่ยุ่งถ้าใจจริงๆไม่ยุ่งที่มันยุ่งก็เพราะที่เดียดทั้งหลายเท่านั้นฉะนั้นขอสายุชนทั้งหลายนี่จงนำคำนี้ไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติหนึ่งตั้งต้นออกจากใจของเรา ไม่ตั้งต้นออกจากภายนอกมาหาภายในตั้งต้นเริ่มจากใจของเราออกไปอันนี้ที่เป็นปกตินี่ถ้ามันถึงที่มันถึงปกติมันจะไม่มีอะไรเหมือนใบ ไ, ไม้ไม่มีลมมากโกรก ม, มันจะไม่ปกติมันจะเป็นปกติอยู่อย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ให้การบ้านของญาติโยมทั้งหลายเอาไปเป็นการบ้านริงไม่ขออธิบายนาน อธิบายนานไม่ได้ฉลาแล้ว น, นี่มันง่วงนอนมันเย็น <c oughs> <c oughs> มันจะง่วงนอนอันนี้ให้โอไ้โอวาดของญาติชมทั้งหลายที่มาในคราหมีทุกคนแต่สถานที่นี้สถานที่ภาวน า, า, นากันญาติชมเดี๋ที่มันยุ่งยากสลำบากนานๆก็มาเยี่ยมสักมาถือว่ามาทรงสักเพีย่ครั้งก็ได้มาพักอย่างนี้ก็ได้เฉยจแก่กลับบ้านถ่ายทอดบรรยากาศ ด, ดีมาก เปลี่ยนเสนาสนะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดมาเป็นที่บงเพ็ญทางใจเหมือนองค์สมบิพรสมาสำตุเจ้าของราสนาสอนไว้ทุกคนเริ่มต้นจากใจการประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติก็ะเดาให้ตั้งให้ตั้งสินห้าไว้ในใจให้มีสินห้าถ้าสินห้ายังไม่สมบูรณ์ยังเป็นคนไม่ครบนะ เป็นคนไม่เตรียมคนนะมถ้าเป็นรูปกเหมือนคนบบาบอตามถนนเห็นไหมไม่มือนมไม่เป็นปกติคือคนไม่เตรียมคนคือคนไม่พอแต่เราฟังแล้วก็ไม่เข้าใจถ้าเห็นเราเดินไปแต่มีคนถามว่าเฮ้ยนั่นน่ะหนึ่งเหมือนคนไม่พอเนีน่ะเราก็โกรธนะไอ้ค่จริงมันคนไม่พอถ้าเราพอคนกันทุกคนน่าจะสบายมากที่สุดอันนี้ให้เริ่มจากขินห้า เป็นที่พึ่งของเราก็คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสรารังนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเจ้าคราวที่พึ่งของเราคือใจที่ชอบเห็นชอบนั้นเห็นดิงลงไปไว่ามันชอบมันตรงมิตรสาธิติจะเข้ามาปนปะปนไม่ได้อันนั้นเนี่ยที่พึ่งมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันมันก็ยังพึ่งมีตัวของมันอยู่แม้จะเป็นจะตายมันยังมีที่พึ่งของมันอยู่ แสลาหลังนี่มันเป็นที่อาศัยไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราโดยตรงมันของข้างนอกเนี่ยดูที่นกมันมาอยู่ก็ได้เห็นไหมจิงจกมาอยู่ก็ได้ตุกแกมันมาอยู่ก็ได้อืมันที่อาศัยทุกคนใจเราเ้าบริสุทธิ์แล้วอะไรมาอาศัยไม่ได้ของกลอ ม, มาอาศัยไม่ได้มิจฉาทิพย์มาอาศัยไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างแน่นอน <c oughs> อันนั่นคือที่พึ่งของเราแต่นั้นขอจัดจนทั้งหลายจงตั้งตนออกจากใจมีศีลห้าประจํา ยิ่งจะเป็นคนพอคนถ้าขาดธาดจากที่หน้าแล้วคนไม่พอคนทเท่แไรนั่นอันนี้ให้ไปดูอ้าวในใจของจะของอะไรมันไม่เคยเคลียออกค่อยๆเคลียออก ก, ออกลัวคนจะเห็นก็ออกไปเคลียคนเดียวไปได้นาะเคลียออกมันโมให้มันหมดให้มันถึงใบไม้ที่ลมมันโกรกให้มันถึงกิจที่บริสุทธิ์แล้วนั่นนะ่ะนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเรามันเป็นทางที่จะพ้นทุกอันนี้วันนี้ ขอให้โอกาสเท่านี้ให้โอวาทตอนนี้มีแค่นา้นขอญาติโยมทุกๆุกคนจงตั้งอยู่ในศีรษะธรรมทุกๆุท่านวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่นี่นอืพระพุทธเจ้าว่าให้เราเน้นเจ็บแล้วนี่ไม่ใช่เจ็บไม่ใช่ในเจ็บแล้วนี่วันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่อท่านกระแทดอย่างนี้เราก็ใช่ไหม ไม่รู้สึกจะของวันคืนร่วงไปร่วงไปมันไม่รอท้าทำอะไรกันอยู่เนี่ยจะไปยังไงมาจังจะอยู่ในนั้นคันถามแต่คนธรรมดาฟังก่อนเชยไม่ดูเรื่อง น, นี่ถ้าคนมีนิสยัยโอ้ยคืนบเลยเออวันนี่เราทำอะไรอยู่เรามีอะไรไหมเรามีทุกไหมเรามีสุขไหมมันมีพะอะม่อในไหมอยู่ในตัวคของเรามีอะไรจะเพิ่มมันไหมมีอะไรจะต่อเติมมันไหม อย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้อย่างนั้ น, นจาัด ก, การประพฤติปฏิบัติเขาใใ้าในใจของเจ้าของเกิดไปท่านนี้ขอให้ญาติโยมทนายจังทิมมีความยืนย็นเป็นสุดสงบระงับเมตตมะต้ององค์สมเด็จตัตมาสามกุฏเจ้าสลอดนานเพิ่อ